สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุติยะธรร ม, มังสับพันตังนิโรธธรรมมันตินี่เป็นข้อความเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับท่านโกตัญญะที่ป่าอิสิปตนะ บรุกรเตวันที่นั่นหลังจากที่พระเจ้าได้แสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรเกี่เรื่องของเริยส ส, สีความรู้ที่ว่ายังกินจิสมุทตยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติได้เกิดขึ้นกับท่านโกธัญะญในที่นั้นพระเจ้าจึงได้บอกว่าท่านโกธัญะรู้แล้วหนอโกธัญะได้รู้แล้วหนอรู้อะไรตระบูฟังรู้อะไร ก็คือรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งอะไรที่ดับไปร่างกายของเราความรู้สึกความคิดนึกทุกสิ่งทุกอย่างเราชี้มือไปทางไหนสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นดับไปได้ขันห้านี่แหละท่านฟังขันห้าได้แก่รูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่ว่ามีความดับไปเป็นธรรมดามันเป็นของเกิดได้มันเป็นของดับได้สิ่งไหนเกิดขึ้นได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างอื่นไปได้สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข คำตอบคือเป็นทุกข์ตั้งแต่วังสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาฟังก็จบแม่ป่านี้แล้วมันต้องตอบได้แล้วว่าเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอว่าจะเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยนี่แหละคือความรู้ที่ท่านโกธัญญะได้รู้ได้ทราบที่ป่าอิสิปตนะมฤุกระวัน เป็นคนแรกที่รู้พอ ร, รู้ทราบแล้วทำหวั ง, งใหม่มันกระเทือนไปทุกรูขุมขนทุกเซลล์ในร่างกายมันรู้ตรงนี้หมดมันรู้แจ่มแจ้งเข้าไปในใจคือไม่ได้รู้เท่าที่สมองนะสมองจําได้เข้าใจดีกว่าไปอย่างแต่มันรู้ทางใจรู้ทุกๆุกขุมขนรู้ทุกๆุกส่วนของร่างกายว่ามันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงเลยเข้าใจจริงๆและณที่นั้นท่านโกญิยก็เป็นพูดถึงกระแส ถึงกระแสแห่งนิพพานจึงทาให้มีคําที่เรียกว่าโกฏญยะองค์ไหนล่ะก็โกฏิญะองค์ที่รู้นั่นแหละก็จะมีอัญญาโกฏิญะความรู้นี้ในเรื่องขันห้าที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่พูดที่ถึงกระแสคือผู้ที่เห็นแบบเนี้ยคือคุณอย่างลงละถึงกระแสแน่นอนและถึงกระแสอะไร กระแสแห่งนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยรู้ในเรื่องขันห้าที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดได้มันดับได้พระเจ้าเปรยเหมือนกับเวลาฟองน้ําที่มันไหลมาตามกระแสน้ําอย่างน้ำํำแม่น้ําเจ้าพยาหรือแม่น้ําโของอย่างนี้แต่ถ้าเราดูเวลาที่โรงงานอุตสาหกรรมเขา ปล่อยน้ำทิ้งลงมาเนี่ยเวลาน้ำมันกระทบกันมันจะมีตีเป็นฟองขึ้นนะเป็นฟองเป็นโฟมขึ้นนะโฟมที่ลอยมาตามกระแสน้ำซึ่งอาจจะเกิดจากการที่พื้นท้องใต้น้ำมันไม่เรียบน้ำมันตีกันเองเป็นฟองขึ้นมาหรือว่าใครทะเลอะไรลงไปมันเป็นฟองเป็นโฟมขึ้นมาโฟมนั้นเนี่ยถ้าลอยมาตามกระแสน้ำนะเราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนมีก้อนเป็นอะไรแต่ถ้าดูเข้าไปจริงๆ และเป็นของบ้างของเปล่าเป็นของที่หาแกนสารไม่ได้ถ้าใครไม่เคยเห็นอาจจะนึกถึงพวกกองผักตบชวาก็ได้นตะ่มันลอยมาตามกระแสน้ำเนี่ยเหมือนเป็นแพรเป็นอะไรที่พอจะไปเหยียบไปพักไดแ้แต่พอเข้าไปก็แตกออกนะข้างในไม่มีแก่นสารอะไรอันนี้คือเรื่องของรูปตจำลังรูปอันใดอันหนึ่งจะเป็นอดีตอนาคตจะเป็นในปัจจุบันเหนะือที่หยาบหรือละเอียด มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเหนะือรูปทั้งหมดนั้นไม่เทียงรูปทั้งหมดนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆเป็นของหาแก่นสารไม่ได้รูปของเราคือขันห้าท่านสี่ดินน้ำไฟลมร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเป็นของที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความดับไปเป็นธรรมดานอกจากท่านอัญญาโกรณญรู้แล้วในะในสมัยต่อมาเราบรรจวคีทั้งหลายก็รู้ตามด้วย แตนะ่ทั้งห้าคนรู้อย่างนี้หมดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างกินจีสมุตยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติรู้ไปถึงว่าไอความรู้สึกที่อยู่ในกายจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขตามเป็นทุกขตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตามไม่เหมือนกับต่อมน้าที่เวลาที่ฝนตกนะฝนในช่วงต้นฤ ด, ดูฝนเนี่ยเม็ดมันจะใหญ่ เวลามันตกลงมาเนี่ยโดนพื้นน้ำอาจจะเป็นแม่น้ําอะไรเงี้ยนะตกลงมาปุ๊บตอำน้ําก็จะเกิดขึ้นเหมือนเราเอาเอะไรหล่นไปในน้ําเวลาที่ผิวน้ําตรงนั้นมันก็จะเกิดเป็นฟองขึ้นนิดนึงนะนิดเดียวมันก็แตกเป่าะออกนะความเร็วที่ฟองน้ํามันเกิดขึ้นแล้วแตกไปคือเป็นของที่หาแก่นส่ามไม่ได้นะแล้วก็สลายไปเดี๋ยวนั้นนะแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ําถ้าเป็นน้ําที่มีแรงตึงผิวมากหน่อยมันอาจจะเป็นฟองให้เราเห็นได้ สักหน่อยแต่แล้วมันก็แตกไปนะไม่สามารถที่จะรับแรงหรือว่าเป็นที่พึ่งจะใช้งานอะไรได้พิจารณาเข้าไปดีๆก็เป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้เพราะเวทนาคือความรู้สึกที่อยู่ในกายเนี่ยมันก็เป็นของที่อาศัยการเกิดขึ้นนะไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นได้อาศัยกายนี่แหละมันจึงเกิดขึ้นก็กายมันไม่เที่ยงแล้วเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุกตามที่เกิดในกายเนี่ยมันจะเที่ยงมาแต่ที่ไหนมันจึงเป็นของที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นของที่ดับไปเป็นธรรมดาเห็นด้วยใจทั้งฝังไม่ได้เห็นด้วยตาอุปมาปมาุไม้นี้เขายกมาพระพุทธเจ้ายกมาเพื่อจะให้เข้าใจในสมองแล้วให้เข้ารู้ไปถึงใจรู้ไปถึงใจว่าแม้แต่ไอความหมายรู้สัญญาความหมายรู้ ในสีความหมายรู้ว่าเสียงใครพูดความหมายรู้เขาพูดเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาเราดูข้างนอกพิจรารณาดูเนี่ยโอ้มันเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําคัญแต่พอไปดูใกล้ๆดูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรพระเจาเปรียบไว้เหมือนกับพยับแดดจำบังพยับแดดคืออะไรแตนะ่ถ้าใครเคยขับรถไปในถนนถนนที่เป็นถนนอย่างมาตอยนะ่ยตอนกลางวัน ตอนร้อนๆเวลาเที่ยงวันเนี่ยเวลาพระอาทิตย์จองอยู่กลางหัวเวลาขับรถไปทางไกลเนี่ยพื้นถนนด้านหน้านะไปไกลๆหน่อยอาจจะเป็น2อง0เมตรข้างหน้านั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับมีแอ่งน้ำอยู่นะตอนข้าพเจ้าสมัยเด็กๆนะยมพ่อเคยขับรถพาไปนะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่แหละขับรถไปทางถนนหลวงนะเป็นถนนยางมะตอย นะตอนร้อนๆช่วงซัมเมอร์พาไปเที่ยวแล้วนะก็เห็นว่าเอ๊ะถนนข้างหน้าีทําไมมันเหมือนมีน้ําอยูนะ่เราด้วยความเป็นเด็กก็คิดว่าแหมอยากจะไปเจอน้ําเล่นน้ํามันจะเป็นยังไงอากาศก็ร้อนอย่างนี้ก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะตื้งเมื่อไหร่จะถึ ง, ถงนะคอยเล็งอยู่ว่าเสาไฟฟ้าต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้มันจะต้องถึงแล้วนะเราจะได้เล่นเราจะได้ดูว่าเป็นยังไงน้ำํำทำไมมาอยู่กลางถนนร้อนๆอย่างนี้แต่พอไปถึงตรงนั้นมันกลับไม่มีอะไร หาอะไรไม่เจอแลํานะเหมือนกับไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าการหักเหของแสงมันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความร้อนของผิวถนนนะปรากฏการณ์นี้ก็เรียกว่าพยับแดดพยับแดดเวลาดูจากที่ไกลๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันเหมือนมีเป็นเรื่องอะไรเป็นอันตรายเป็นเสน่ห์ที่เรียกว่าภาพลวงตาคนที่อยู่กลางทะเลทรายร้อนๆอย่างเงี้ยคิบว่าข้างหน้านี่จะมีแอ่งน้ํารีบิ่งเข้าไปรีบิ่งเข้าไป ก็ไม่เห็นหาไม่เจอนี่คือพยับแดดเหมือนการบางทีเราความรู้ความคิดความนึกอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาเป็นไปในอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียด ใ, นในกล้ไกลก็ตามนะมันดูเหมือนเป็นเรื่องบร็นราวเป็นจริงเป็นจังในแต่ทพ่อเข้าไปถึงแล้วใกล้แล้วนะมันกลับไม่มีอะไรบางคนมีความคิดว่าเอา้าจะต้องเข้าโรงเรียนนี้ได้นะเข้าโรงเรียนนี้สอบโรงเรียนนี้ให้ได้แล้วอนาคตจะดี นาจะได้มีความสุขสัทีชีวิตสบายแล้วแต่พอเข้าไปเรียนได้เอา้าวมันก็เหมือนเดิมไหมก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมนะมีความทุกข์แบบคนที่เข้าโรงเรียนนี้เขามีกันเอาไม่เป็นไรเรียนจบมาหนคิดว่าได้งานทําแล้วนะทำงานแล้วก็จะได้ดีมีชีวิตดีมีความสุขสัทีแต่พอไปทํางานแล้วเอ้ก็ยังเหมือนเดิมไหมก็ยัง ม, มีความทุกข์แบบที่คนทํางานเขามาีเอางั้นแต่งงานก่อนนะแต่งงานกับคนนี้แหละแหมชีวิตจะได้ตั้งต้นสัที นะ่ะมีความสุขสมหวังอย่างที่คนเขาจะมีความสุขกันแต่พอแต่งงานไปแล้วเอ๊ะมันก็เหมือนเดิมไหมีความทุกข์อย่างที่คนแต่งงานก็จะมีกันเอางั้ น, นไม่ล่ะรอมีลูกก่อนนะลูกคนแรกออกมานะ่ะชีวิตน่าจะเปลี่ยนน่าจะดีขึ้นนะ่ะพอทาไปอา้าวก็เหมือนเดิมฮ่มีความทุกข์อย่างที่คนมีลูกเขามีเอาคุณเปลี่ยนชื่อซิเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะ่ะไปฉีดบอท็อกซ์ทำตรงนั้นนะแก้โ ง, งเ่เฮงตรงนี้นะ่ะจาัดฮวงจุ้ยใหม่ทําอะไรใหม่ นะหวังว่ามันจะดีนะดูเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอทําจริงๆแล้วก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมท่านผู้ฟังมีความทุกข์เหมือนเดิมนี่แหละคือลักษณะของพยับแดนแตบางคนบอกเอ้างั้นก็เอามีลูกคนที่หนึ่งแล้วก็รอลูกคนที่สองนะเพื่อมันจะดีขึ้นชีวิตจะได้มีความสุขสักทีมีลุยคนหนึ่งก็มีความทุกข์อย่างที่คนมีลูกสองคนก็มีกันเอารอมีหลานหรือว่าหลานมันจะดีเอ้าก็มีความทุกข์อย่างที่ตายายก็มีกัน อยู่ที่ไหนล่ะท่าหวังมันจบที่ไหนนะมันไม่ได้จบที่สิ่งอื่นไม่ได้จบที่เราเข้าไปหาพยับแดดเพราะว่าพยับแดดมันไม่มีตัวตนมันไม่เป็นของที่จะเป็นแก่นสารสาระอะไรที่เราจะไปหวังไปพึ่งไปยึดไปเกาะได้เลยเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งล่ะท่หวังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาไปเลยไปหา หาต้นไม้ที่มันจะมีแก่นไม้นะหวังว่าจะเอาแก่นไม้นี้นะมาใช้ทําเสาบ้านใช้ทําไม้กระดานทําไม้อะไรที่จะเกิดประโยชน์ได้แตนะ่พอไปถึงปุ๊บเอาไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งแหมมันรู้สึกว่ามันใหญ่พอสมควรแล้วก็ดูแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ตัดทางโคนตัดทางปลายนะออกกาบออกปอกกาบออ ก, ก, อ, อ, กอ้าวปรากฏว่ากระพี้ก็ไม่เจอแก่นมันก็ไม่เห็น รเรากดว่าไปตัดต้นกล้วยมาทำม่หวังนะไปตัดต้นกล้วยมาแล้วหวังว่าจะมาหาแก่นไม้ในต้นกล้วยนะแนะก็พีมันยังไม่เห็นจะไปเห็นแก่นได้ยังไงนี่คือความเห็นความรู้ของคนที่เข้าใจว่าแม้สังขารทั้งหลายก็ตามที่มีในอดีตในาคตปัจจุบันไหนะเราคิดนึกปรุงแต่งไว้ว่ามันจะต้องดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอได้มาจริงๆเปิดออกดูมันเหมือนมีอะไรเปิดออกดูเปิดออกดู เ, ดออกดเอ้าแก่นก็ไม่มี หาความดีความงามหาความที่มันจะพึ่งได้ยึดได้ใช้เป็นหลักเป็นประธานได้หาไม่เจอเพราะมันไม่ใช่ไม้แก่นไปหาผิดที่ไปหาแก่นไม้กับต้นกล้วยมันจะมีที่ไหนละ่ะคนที่เขาไม่รู้ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ไปเที่ยวหาแก่นไม้จากต้นกล้วยมันไม่มีจะฝั ง, างหาให้ตายก็ไม่มีหารอไปจนกระทั่งต้นกล้วยออกผลเป็นลูกมะม่วง มันก็ไม่มีเพราะต้นกล้วยมันไม่มีแก่นทั้งหมคนที่เขารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเขาจะรู้ชัดเลยเหมือนคนที่เข้ามาเล่นมายากลให้ดนะูเขามาสับไพ่ให้เราดูถามว่าคุณเลือกไพ่ไว้สักใบหนึ่งนะสับไ ป, ส, บไ ป, ส, บไปสับมาสับไปสับมาถามเราคำสองคานั้นหะยิบปั๊บหยิบตรงนี้ปุ๊บเลือกไพ่ออกมาใบที่เราเลือกไว้จริงๆ โอ้โหเหมืนมีมายากลเวทมนตรู้ใจเรานะหรือบางคนเขาสามารถที่จะทําช้างหายไปทั้งตัวเดินทะลุ ก, กําแพงได้นะเดินทะลุ ก, กําแพงเมืองจีนเหมือนอยา่างว่าโอ้มีเวทมนตนะ์หรือว่าทําสิ่งของตัวเองหายไปได้นะโผล่มาอีกที่หนึ่งแต่ว่าคนที่เขารู้เขาเห็นเขาดูดีๆเนี่ยจะรู้ว่านักแสดงมายากลนั้นก็คือมายากลเป็นของหลอกหลวงนะไม่ใช่ของจริง ของจริงคือผู้ที่มีฤทธิ์อย่างเงี้ยผู้ที่มีฤทธิ์อาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยเรื่องของสมาธิเป็นเหตุหนานะมีสมาธิชั้น1234เป็นพื้นฐานหนาะมีปัญญาในเรื่องของอิทธิวิธีต่างๆสามารถที่จะหอเหินเดินอากาศเดินทะลุ ก, กำแพงเดินไปบนน้ำได้รู้จิตใจคนได้อันนั้นเป็นความรู้ของจริงหนาะที่เกิดขึ้นจากปัญญาที่เกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ แต่คนที่เล่นมายากลเนีนะ่ยไม่ได้มีสมาธิระดับนั้นไม่ได้มีปัญญาระดับนั้นทำให้เห็นได้เนี่ยเป็นภาพลวงตาเฉยเป็นของหลอกลวงมีความหลอกลวงเป็นธรรมดาเราเห็นรู้อยู่ว่าวิญญาณเนี่ยไอจิตของเราเนี่ยที่มันไปรับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้หลอกสรรปั้นแต่งออกมาว่าอันนี้เป็นจริงเป็นจังอันนี้เหมือนจริงมากแต่มันมีความหลอกลวงเป็นธรรมดาเราเนี่แหละถูกจิตนี้แหละ คดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกมานมนานนแล้วนั้นหลอกว่าเนี่ยเป็นผ้าขาวเนื้อดีไอ้คนถูกหลอกมันก็โง่โงน้าตาบอดน้าตาบอดให้เขาหลอกคือมันก็ต้องน่าเห็นใจนะท้ามึงฟังมันจะบอกว่าโง่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าตาบอดอยู่นะตาบอดแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันผ้าขาวหรือผ้าดําถูกเขาหลอกด้วยว่าเอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนกระเมามาหลอกว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีนั้นตัวเองรับมาเสร็จปุ๊บเนี่ โอ้ก็มาหมโชว์เลยดูสิผ้าชั้นเนื้อดีไหมแต่ว่าตาบอดนะคนพูดนี่ตาบอดอยู่นะก็มาเที่ยวโชว์ผ้ า, ผ า, ผาเพื่อนผ้ า, ผ า, เาเนื้อเลวเพื่อนขมเมาวนะว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีมีความภูมิใจมาอวดคนนั่นใสไปที่นั่นโชว์ที่นี่นะแต่พอสมัยต่อมาอย่างท่านอัญญากกอัญญานี่แหละที่มีหมอหมารักษาหมอหมารักษาหมอทอํายังไงล่ะหนูก็ประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบนยาถ่ายโทษในเบื้องต่ำ ยาหยอดยาหยอดให้กัดยานัดนะอาศัยยานี่แหละตาก็เปิดขึ้นตาก็เห็นแสงได้เห็นแสงสว่างเห็นว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงอะไรขาวอะไรดําอะไรเนื้อดีอะไรเนื้อไม่ดีพอรู้ความจริงว่าอา้าวนี่มันผ้าขาวเนื้อเลวเปื้อนเข่านี่น่ะก็ทิ้งเท่านั้นแหะทางฝั่ ง, งปัญญาเป็นเกิดทันทีคือเขาก็ไม่ได้โง่หรอกแต่ว่าเขาถูกหลอกนะถูกหลอกเพราะความที่ตัวเองนั้นมีตันหา มายึดเอาไว้มีวิชามาปิดกั้นเอาไว้ปัญหามันยึดเอาไว้อวิชาาปิดกั้นเอาไว้ทําให้มันเห็นไม่จริงเพราะเห็นไม่จริงแล้วมันก็คิดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นจริงไปหมดไอ้ความจริงที่เราเห็นอยู่มันจริงจริงๆนะมันไม่ใช่ของหลอกลวงใครว่าหลอกลวงนี่จับจริงก็เจ็บจริงๆหยีก็เจ็บจริงๆพูดกระเทือนการกระแทกกันเนี่มันเจ็บจริงๆนะเขาทําอย่างนี้กับเราเราทุกข์จริงๆนะเป็นจริงเป็นจังไปหมด เพราะความที่ถูกจิตนั้นคดโกงล่อลวงปลอมเตียมปลื่งปล อ, อกอยู่จึงเห็นอะไรก็าตามเป็นเหมือนจริงไปหมดแต่ความจริงจริงๆก็คือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นของเทียมเป็นของปลอมเป็นของไม่จริงเป็นของที่หาแก่นสารสา ร, สาระอะไรไม่ได้ถ้าเราจะไปยึดจับสิ่งนั้นว่าเป็นที่พึ่งหวังว่าจะจับเพื่อที่จะยึดถื อ, อไวนะ้พึ่งมันได้ พระเาเปรียบเทียบกับเวลาที่คนที่เขาลอยมาตามกระแสน้ํอย่ากระแสน้ํานี้เชี่ยวจัดมากแต่เวลาลอยมาตามกระแสน้ำเนี่ยเราก็รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยฉันถูกน้ําพัดพาไปนี่ข้างล่างมันจะต้องเป็นน้ําตกหรือเป็นอะไรแน่นอนนะจมดำบุดดำว่ายอยู่งี้นะไม่ได้เรื่องละก็ต้องรีบหาทางขึ้นฝั่งให้ได้ปรากฏฝั่งแม่น้ำเนี่ยเขาก็มีหญ้าชนิดต่างๆ เนะี่ยหญ้ า, า จ, จะเป็นหญ้าแพรกบ้างหญ้าแฝกบ้างหญ้าคาบ้างหญ้าอะไรก็ตามเถอะหรือว่าต้นไม้ก็ตามเนะี่ยที่มันโตอยู่ที่ริมฝั่งน้ำเนี่ยมันก็จะโน้มกิ่งโน้มใบของมันลงมานะี่มาบริเวณกลางแม่น้ํานั้นะถ้าเราจะไปเอื้อมจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตรงนั้นเพื่อที่หวังว่าจับแล้วจะดึงตัวเองเหนะือให้ขึ้นฝั่งได้จะได้สบายสัทีนะีแต่มันก็ขาดดลุดติดมือไป เพราะความเชี่ยวจัดของกระแสน้าเหมือนกันถ้าเราจะไปยึดจับเจ้ารูปเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณนะสิ่งเหล่านี้ว่าบจะเป็นที่พึ่งหวังว่าจะได้สบายหวังว่าจะได้พ้นทุก์นะคิดว่าเรียนจบที่นี่แล้วจะดีคิดว่าแต่งงานกับคนนี้แล้วจะดีคิดว่ามีลูกมีหลานแล้วจะดีคิดว่าได้งานแล้วจะดีคิดว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจะดีคิดว่าไปที่นั่นแล้วจะดีมาที่นี่แล้วจะดีเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีแต่สิ่งนั้น เปลี่ยนแปลงไปจากที่เขาคิดบุคคลนั้นก็จะได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนรักคิดว่าสิ่งนั้นมันจะพึ่งได้แต่พอไปจับเข้าจริงๆมันขาดหลุดติดมือมาก็ไหลไปตามน้ําอีกหลุดไปอีกนะเราคิดว่าทําสิ่งนี้แล้วเราจะพึ่งได้นะทํางานที่นี่แล้วตั้งธุรกิจเองแล้วนะหวังว่าคนนั้นมาแล้วคบกับคนนี้แล้วจะดีแต่พอทําแบ่งงั้นอย่างนั้นไปแล้วนะสิ่งนั้นกลับอา้าวเป็นไปอย่างอื่น ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมทุกข์ไม่ได้ลดลงนี่แหละท่านผู้ฟังเราจะยึดสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยบุคคลที่ยังกินจีแล้วอ่ะมันยังกินจีแล้วนะเห็นแล้วนะเขาจะเห็นจริงๆว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้เห็นชัดเจนว่าถ้าอะไรเกิดมันดับแน่ถ้าอะไรดับมันไม่เที่ยงแน่อะไรไม่เที่ยงเราจะมาเป็นตัวเราของเราไม่ได้เลยจะทาไงล่ะทีนี้สิ่งที่ทำได้ สิ่งที่จะใช้ได้อย่างเวลาคนที่เขาลอยมาตามกระแสน้าเนี่ยเขาจะหาทางขึ้นฝั่งเนี่ยเขาจะไปจับพวกใบไม้ใบอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วทีนี้นะจับมาหลายต้นหลายจุดแล้วก็ล่วงหลุดทุกทีทุกทีทุกทีทุกมาเยอะละทุกมาพอแรงและเริ่มมีความฉลาดเริ่มมีปัญญาก็ต้องหาแก่งหาเกาะหาแก่งที่จะเกาะได้จับได้เป็นพืที่ที่พอมันจะยืนเหยียบถึง เราเปรียบเทียบกับเวลาที่เราลอยมาตามกระแสน้ํำลอยคอทุบป่องทุบป่องมาเนี่ยนะถ้ามีหินอยู่ใต้น้ําเออพอที่เราจะยืนเหยียบได้อันนั้นเรายืนเหยียบได้พอที่จะขยับตัวพักขาพักแรงนะเหยียดขึ้นเพื่อที่จะหายใจได้บ้างนะหรือมีแกลงอยู่แกลงไหนนะเราเกาะดูดีๆหาจังหวะใช้ตรงนี้เป็นที่พักใช้ตรงนี้เป็นที่พึ่งไอตรงที่ที่จะเป็นที่เกาะที่พักที่พึ่งได้กลางกระแสน้ํา ที่เป็นหินเป็นที่ดอนหรือเนินทรายอะไรก็ตามนินะที่เราพักที่เราเกาะได้เนี่ยพริชาเปรียบเหมือนกับพระพุทธพระธรรมประสงค์นะเป็นที่ที่เราจะพึ่งได้นะพึ่งแล้วไงมันยังไม่จบนะเราต้องหาทางขึ้นฝั่งให้ได้นะพึ่งเป็นที่พักนะพักใจพักแรงพักให้หายเหนื่อยได้อย่าเวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตต่างๆมากมายนะ่ยปัญหาการเมืองก็ตามปัญหาการค่าก็ตาม นาปัญหาการต่างประเทศปัญหาการครอบครัวปัญหาการเศรษฐกิจหนาะปัญหาอะไรก็ตามที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกระแสงตัณหาที่ถาถมท่วมทับ พ, พัดรัดรึงให้เราเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขหนะคิดว่าจะอยู่เป็นสุขมันก็มารัดคอซะหนะคิดว่าจะอยู่เป็นสุขมันก็ให้เราจมซะบุ๋มบุ๋มุ ม, มนะหาไม่เจอหายใจไม่ได้นาะเป็นอาการความทุกข์ที่เราเจอเพราะถูกกระแสตัณหาพัดพาไปแต่คนที่เขายังจริงจีแล้วเนี่ย เขาถึงแก่งแล้วท่านฟังเขาถึงแก่งถึงที่พักกลางแม่น้นํานะเขาหายใจได้พอจะเห็นเราฟังอยู่ตรงไห น, นเลงไปให้ดีฉันจะไปทางไหนแนวไหนจากตรงนี้ไปจากแก่งนี้ไปหินก้อนนั้ น, นหินก้อนนั้นแล้วก็ไปหินก้อนโ น, น้นไม่เกินเจ็ก้อนละฉันขึ้นฝั่งแน่นนั้เล็งไว้แล้วเห็นแล้วตรงนี้คือที่พึ่งที่ถ้าใครมีที่พึ่งนี้แล้วแล้วเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาชัดเจน คุณจะขึ้นฟังได้ขึ้นฟังได้ก็ตัวแห้งละสินะตัวแห้งก็สบายนะ่ะไม่ต้องไหว้นะไม่ต้องดำผุดดำไหวต่อไปนะั่ะลุดออกจากกระแสของตันหาที่มันท่วมทับรัดรึงราอยู่ที่พึ่งตัวนี้ก็คือพระพุทธธรรมประสงค์นะคนที่มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นแล้วยังกินจีแล้วรู้แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้นี้คําพูดนี้ความเข้าใจนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่บาเอศิปตนาเมรุขตายวันท่านอัญญาโกตัญญารู้ก่อนคนแรกเลยจะเทือนไปหมดนะท่านบุฟังนักเทวาดาต่างๆเขาสาธุ ก, การกันมาโอ้ยรู้แล้วคนที่รู้ในะท่านั ง, งเขาไม่ได้มารู้ความความเข้าใจแค่ว่าเออเกิดเจตชาติจบหรือโอ้ไม่ไปนรกแล้วแค่นั้นเอง น, นไม่ได้รู้แค่นั้น รู้ด้วยใจรู้ด้วยทุกๆเซลล์ทุกๆขุมขนในร่างกายว่าแม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆขันห้ามันเป็นสิ่งที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแต่มันมาหลอกเราให้ว่านี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่มันคงหลอกเราให้ไปจับให้ไปยึดเหมือนกับเจ้าใบไม้ที่โน้มกิ่งลงมาโน้มใบลงมาอยู่กลางแม่น้ํา เราดำผุดนดำว่ายอยู่มองไม่เห็นอะไรอะไรเอื้อมมาเราจับหมดน้ำมันก็ขาดหมดเรายิ่งทุกขหนักคิดว่าจะรอดพ้นแต่กระทุกอีกเราคิดว่าเอื้อมไปจะไปจับให้ได้เอาเลยแก่งหินที่เราจะผ่านมาได้เอาผ่านไปอีกก็ไม่ถึงที่หมายสักทีขึ้นฟังไม่ได้สักทีแล้วถ้าถูกพัดต่อไปต่อไปต่อไปไปถึงจุดที่มันมีน้ําตกไปจุดที่มันมีน้ํามนไปจุดที่มันมีอสุรกายเราพลาดเลย มันจะพาเราตกไปถึงนรกกาเนิดเดรชาญเปรตวิสัยนุ่นแต่เป็นที่ที่ไม่ควรจะไปถึงอย่างยิ่งต้องรีบหาทางรอดให้ได้ก่อนแกงนี้อยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังที่ที่เราจะเกาะได้ที่ที่เราจะพึ่งได้ที่ที่เราจะใช้อาศัยยืนเหยียบถึงได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเอามามอบให้ท่านโกธัญญะณที่ป่าอิสิปตนมรดกไตวันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของท่านเองสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นในใจของท่านผู้ฟังได้ทุกคนเหมือนกัน เป็นที่พึ่งอยู่ในใจบางครั้งเราเจอปัญหาชีวิตสิ่งที่แบบคนอื่นเขาทนะเงินหายญาติตายครอบครัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้อุบายเรื่องออกจากทุกขเวทนาอย่างอื่นนอกจากความสุขนะอุบายอย่างอื่นนั้นเช่นความสงบในใจอุบายอย่างอื่นนั้นเช่นความสบายใจที่เกิดจากผลของการที่เรามีศีลคนที่มีศีลรักษาศีลได้อย่างดีจะต้องไปร้อนใจอะไรให้มีความสบายใจ ความสบายใจที่เกิดจากศีลบ้างความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดจากสมาธิบ้างความรู้ความเห็นในเรื่องปัญญาทำให้มีความปล่อยวางได้บ้างพวกนี้แหละคือที่พึ่งที่พักใจที่จะทําให้เราอย่างน้อยมีช่องว่างให้หายใจได้ให้พอที่จะพักเหนื่อยให้พอที่จะเรียกว่ามองดูนฟังอยู่ตรงไหนนแกงก้อนต่อไปอยู่ที่ไหนนมันอยู่ที่เราสร้างทั้งหมดฝั่งอันนี้เราไม่ได้ต้องรอโอกาสใดๆอยู่ที่เราสร้าง อยู่ที่เราปรับปรุงอยู่ที่เราพัฒนาอยู่ที่เราจะเลือกทางไหนล่ะบุคคลที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วถูกความทุกข์ครอบงมแล้วมีสองทางเลือกท่านผู้ฟังจะเลือกทางไหนจะเลือกทางที่ว่าทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนเลือกทางที่จมปลักอยู่ในความทุกข์หรือเลือกทางที่สองที่ว่าน่าจะมีบุคคลอื่นที่รู้ทางออกจากปันานี้สักหนึ่งหรือสองวิธี เรากำลังถูกตันหากระแสน้ำตันหาพัดพาไปอยู่ทั้งฝั่งมันถาโถมท่วมทับยิ่งสมัยปัจจุบันโอ้โหมันเชี่ยวมากเชี่ยวกราดมากแต่เราจะทวนกระแสได้แต่เราจะต้านกระแสได้เราต้องมีเครื่องช่วยเครื่องช่วยนั้นถ้าเป็นกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันพาดลงมาจากฝั่งช่วยเรือเราไม่ได้มันต้องเป็นแก่งหินเป็นที่เนินทรายหรือที่ที่เราจะยืนเหยียบถึงกลางกระแสแม่น้นํานี่แหละ ที่จะมั่นคงขนาดนั้นมีอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเราที่ไหนหาเจอหรื อ, อยังลองหลับตาดูลับตาลงแล้วเห็นหรื อ, อยังยังนะเห็นไหมเห็นว่ายังกินจีหรื อ, อยังเห็นว่ายังกินจีสมุตยะธรรมมังหรื อ, อยังเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่เห็นเอาเห็นลมหายใจก็ได้ ถ้าเห็นลมหายใจก็มีสติมีสตินี่แหละเป็นที่พึ่งเห็นสติไหมถ้าเห็นสติหลับตาแล้วเห็นสตินั่นแหละท่านผู้ฟังคือที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วมีตนเป็นที่พึ่งแล้วมีตนมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ก็ตามหรือเป็นการที่พระพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้วก็ตามเธอพูดที่มีความเป็นอยู่อย่างนี้หละเรียกว่าเป็นอยู่อย่างไม่ประมาท เป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ใกล้ในสิกขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะอันเลิศอที่สุดแหละผู้ที่อยู่อย่างนี้ชื่อว่าเห็นแล้วเห็นเหมือนอย่างที่ท่านพระโกธัญญะอยู่ที่ป่าอีสิปตนะมรุกัตยาวันเห็นแล้วเห็นแล้วคือรู้แล้วรู้แล้วจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุทานบอกว่าโกธัญญะรู้แล้วหนอโกธัญญะรู้แล้วหนอ นั้นจึงเป็นที่มาของเรียกว่าอัญญากดัญญาลืมตาขึ้นมาครั้งนั้นเป็นโกดัญญาคนใหม่ชื่อว่าอัญญากดัญญาท่านปวังท่านหลับตาลงแล้วเห็นอย่างนี้ลืมตาขึ้นมาเป็นคนใหม่เลยเป็นคนใหม่ที่มีความรู้ความเห็นอย่างแจมแจ้งชัดเจนเห็นแจ้งตามประจักษ์แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิตสมุตตยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ